เรื่องเบื้องต้นบุพกรรมของบุคคลทั้งสองบุพกรรมของพระเจ้ามิรินและพระนาคเษนกล่าวคือเมื่อครั้งศาสนาของสมเด็จพระพุทธกสปะน้นมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าวิชิตาวี เสวยราชอยู่ในสาขรนครราธชธานีพระองค์ทรงอนุเคราะห์มหาชนด้วยสังเคหวัตถุสี่สร้างมหาวิหารลงไว้ที่ริมแม่น้ำคงคาถวายพระเถระทั้งหลายที่ทรงคุณธรรมต่างๆกันมีทรงพระไตรปิฎกเป็นต้นทั้งทรงบำรุงด้วยปัจจัยสี่ เมื่อพระองค์ทรงสิ้นพระชนแล้วก็ได้ขึ้นไปบังเกิดเป็นพระอินทร์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยอนิสงส์นั้นแระมหาวิหารที่เท้าเธอทรงสร้างไว้ถึงพระองค์สิ้นพระชนไปแล้วก็ดีก็มีพระพิสุอาศัยอยู่เป็นอันมากในพระพิสุสงเห่านั้นพระพิสุทั้งหลาย ผู้สมบูรณ์ด้วยข้อวัดเป็นอันดีเช้าขึ้นก็ได้ถือเอาไม้กวาดด้ามยาวแล้วนึกพระพุทธคุณแล้วจึงพากันกวาดบริเวณพระเจดีกวาดเอาหยักเยื่อไปรวมเป็นกองไว้มีพระพิสุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลองค์หนึ่งเรียกสามเณร อ, องหนึ่งว่าจงมานี่สามเณร จงหอบเอาอยากเยื่อไปเททิ้งเสียสามเณร น, นั้นก็เฉยอยู่เหมือนไม่ได้ยินพระพิษุอ ง, งนั้นเรียกสามเณรอนงนั้นถึงสามครั้งเห็นสามเณรนั่งนิ่งเฉยอยู่เหมือนไม่ได้ยินก็คิดว่าสามเณร อ, อ ง, งนี้หัวดือ้อจึงไปตีด้วยด้ามไม่กวาดสามเณรก็ร้องไห้ด้วยความเจ็บปวด แล้วหอบเอาอยากเยื่อไปทิ้งด้วยความกลัวเมื่อหอบเอาอยากเยื่อไปทิ้งนั้นได้ปราถนาว่าด้วยผลบุญที่เราหอบอยากเยื่อมาทิ้งนี้หากเรายังไม่ถึงนิพพานเพียงใดเราจะเกิดในภพใดๆก็ตามขอให้เรามีเดชเหมือนกับดวงอาทิตย์เวลาเที่ยงวันฉนั้นเถิด สามเณรตั้งความปรารถนาดังนี้แล้วก็เดินไปอาบน้ำที่แม่น้ำคงคาดําผุดดําไหว้เล่นตามสบายใจเมื่อสบายใจแล้วก็ได้เห็นระรอกคลื่นในแม่น้ำนี้มากมายนักหนาก็ยินดีปรีดาจะใครมีปัญญาเฉลียวฉล า, าดไม่รู้สุดรู้สิ้น ดูดลุกคลื่นในแม่น้ำนั้นและได้คิดว่าอาจารย์ได้ใช้ให้เราหอบเอาอยากเยื่อมาทิ้งนี้ไม่ใช่เป็นกรรมของเราทั้งไม่ใช่เป็นกรรมของอาจารย์แต่เป็นการอนุเคราะห์เราให้ได้บุญเท่านั้นครั้นคิดดังนี้แล้วจึงปรารถนาขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองว่า ข้าพเจ้ายังไม่ถึงนิพพานตราบใดไม่ว่าข้าพเจ้าจะไปเกิดในชาติใดๆขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาไม่รู้จักสิ้นสุดเหมือนกับลูกคลื่นในแม่น้ำคงคานิเถิดส่วนพระพิสูภผู้เป็นอาจารย์นั้นเมื่อเอาไม้กวาดไปเก็บไว้ที่โรงเก็บไม้กวาดแล้วก็ลงไปที่ท่าน้ำคงคาเพื่อจะอาบน้ำ ก็ได้ยินเสียงสามเณรตั้งความปรารถนาจึงคิดว่าความปรารถนาของสามเณรนั้นเป็นความปรารถนาใหญ่จะสำเร็จได้เพราะอาศัยพระพุทธคุณคิดดังนี้แล้วจึงโหวเราะขึ้นด้วยความดีใจว่าสามเณร น, นี้ถึงเป็นผู้ที่เราใช้ก็ยังปรารถนาอย่างนี้ ความปรารถนาของสามเณร น, นี้จกสำเร็จเป็นแน่แท้คิดดังนี้แล้วจึงตั้งความปรารถนาว่าข้าพเจ้ายังไม่สำเร็จนิพพานตราบใดขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาหาที่สุดไม่ได้เหมือนกับฝั่งแม่น้าคงคานี้ให้เป็นผู้สามารถแก้ไขปัญหาปฏิพานทั้งปวงที่สามเณรไต่าถามได้สิ้น ให้สามารถชี้แจงเหตุผลต้นปลายได้เหมือนกับบุรุษที่มวนกลุ่มได้สางได้อัญยุง่งให้รู้ได้ว่าข้างต้นข้างปลายฉะนั้นด้วยอำนาจบุญที่ข้าพเจ้าได้กวาดวัดและใช้สามเณรให้นำอยากเยื่อมาเททิ้งมิเถิดเมื่อบุคคลทั้งสองนั้น ท่องเที่ยวเวียน่หยตายเกิดอยู่ในเทปยดาและมนุษย์ก็ร่วงมาถึงหนึ่งพุทธันดรพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายผู้เป็นที่พึ่งของโลกได้ส่งพยากรณ์ไว้ว่าความเกิดขึ้นแห่งพระเทระทั้งหลายมีพระโมคครีบุตรติสเทระและพระอุปคุตตเทระเป็นต้น จกปรากฏฉันใดความเกิดขึ้นแห่งบุคลนนไไลบคลทั้งสองนั้นก็จะปรากฏฉันนั้นเมื่อเราปรินิพานร่วงไปได้ห้าร้อยปีแล้วบุคคลทั้งสองนั้นจะเกิดขึ้นทำวินัยอันใดอันเป็นของสุ ข, ขุมที่เราได้แสดงไว้ทำวินัยอันนั้นบุคคลทั้งสองนั้น จะแก้ไขให้หมดฟั่นเฟือด้วยการไต่าถามปัญหากันดังนี้ต่อมาสามเณรนั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระเจ้ามิรินในสารครนครอันมีในชมพูทวีป พ, พระเจ้ามิรินนั้นเป็นบรรฑิตเป็นผู้ฉลาดมีความคิดดีสามารถรู้เหตุการณ์อันเป็นอดีตอนาคต ปัจจุบันได้เป็นผู้ใคร่ครวนในเหตุการณ์ถี่ท้วนทุกประการเป็นผู้ได้ศึกษาศาสตร์ต่างๆไว้เป็นอันมากถึง18ศาสตร์ด้วยกันรวมเป็น19กับทั้งพุทธศาสตร์ซึน ร, ระปรศาสิบแปประการคือ 1. รู้จักภาษาสาตว์มีเสียงนกร้องเป็นต้นว่าร้ายดีประการใดได้สิ้น 2. รู้จักกำเนิดเขาะไม้เป็นต้นว่าชื่อนั้นๆ 3. คัมภีร์เรก 4. คัมภีร์ช่งาง 5. คัมภีร์นิติศาสตร์รู้ที่จะเป็นครูสั่งสอนเท้าพระยาทั้งปวง 6. คัมภีร์พาณิชยศาสตร์รู้ที่จะเลี้ยงฝูงชนให้เป็นสิริมงคล 7. ภารศาสตร์รู้นับนักขัตฤรรกิกรู้ตำราดวงดาว 8. คันธภาศาสตร์รู้เพลงขับร้องและดนตรี 9. เวชศาสตร์รู้คัมภีรแพทย์สนูศาสตร์รู้ศิลปะการยิงธนู 11. ประวัติศาสตร์สิบสอง ดาราศาสตร์รู้วิธีทำนายดวงชะตาของคน 13. มายาศาสตร์รู้ว่านี้เป็นแก้วนี้ไม่ใช่แก้วเป็นต้น 14. เหตุศาสตร์ผ ล, ลศาสตร์รู้จักเหตุรู้จักผลจะบังเกิด 15. หภูมิศาสตร์รู้จักที่จะเลี้ยงโคกระบือรู้การที่จะหวานพืช ลงในานาไรให้เกิดผล 16. ยุทธศาสตร์รู้คำพีพิชัยสงคราม 17. ลัท ธ, ธิศาสตร์รู้คำพีโลกโวหาร 18. ฉันทศาสตร์รู้คำพีผูกบทกรนกาบโครงพระเจ้ามิรินนั้นมีถ้อยคำหาผู้ต่อสู้ได้ยาก ปรากฏยิ่งกว่าพวกเดรธีทั้งปวงไม่มีใครเสมอเหมือนในทางสติปัญญาทั้งประกอบด้วยองค์สามประการคือหนึ่งมีเรียวแรงมากสองมีปัญญามากสา ม, มีพระราชทรัพย์มากอยู่มาคราวหนึ่งพระเจ้ามิรินได้เสด็จออกจากพระนคร ด้วยพระนิกรเป็นอันมากหยุดพักนอกพระนครแล้วตรัสแก่พวกอมัดว่าเวลายังเหลืออยู่มากเราจะทำอะไรดีเราจะกลับเข้าเมืองก็ยังวันอยู่สมณพราหมณ์เจ้าหมูเจ้าคณะคณาจารย์ที่ยืนยันว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใดหนอ อาจสนทนากับเราได้อาจตัดความสงสัยของเราได้เมื่อตรัสอย่างนี้พวกโยโนกข้าหลวงทั้งห้าร้อก็กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่มหาราชเจ้าบัณฑิต ท, ที่จะพอสนทนากับพระองค์ได้นั้นมีอยู่คือครูทั้งหกอันได้แก่ปุรณกัสปะมัคคีโคสาระ นิคันธนาตะบุตรสัญชัยเวรัตบุตรอชิตะเกษกัมพลปกุธกะกัจจายนะพระเจ้าค่าครูทั้งหกนั้นเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์มีชื่อเสียงปรากฏมียศบริวารมีผู้คนนับถือมากขอมหาราชเจ้าจงเสด็จไปไต่ถามปัญหา ต่อคณาจาร์เหล่านั้นเถิดคณาจาร์เหล่านั้นจะตัดความสงสัยของพระองค์ได้พระเจ้าค่ะ